มีคนเปรียบว่าชีวิงคนเราเหมือนกับเรือที่ออกทะเลออกทะเลไปแล้วสุดท้ายก็อับปางกลางทะเลจบสั้นๆอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะปเป็นเรือเดินสมุทร เรือสำรานเรือพายหรือว่าเรือลบท์นะสุดท้ายปลายทางก็ก็จมสู่ก้นทะเลบางลำก็ไปได้ไกลบางลำก็ออกไปได้ไม่ไม่นายก็จมอับปาง ทั้งทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรือที่แข็งแรงแต่ว่ามันก็จมลงเอาดือด้อๆเนี่ยชื่อคนเราก็สูบสั้นๆก็เท่านี้แหละอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียวที่มันดูเหมือนว่าหวนๆนนะ แต่ว่าความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละคนที่ไว่าจะเป็นคนที่อายุร้อยปีหรือว่าอายุแค่หนึ่งปีนะสรุปสุดท้ายชีวิตของของเขาหรือที่จริงก็รวมของเราด้วยแหละชีวิตเรานี่ก็มันก็มีเท่านี้แหละ จะเรือจะไปไกลแท่ไหนจะมีทรัพย์สมบัติเต็มลำเลยยังไงในที่สุดมันก็จมอับกลางด้วยสาเหตุต่างๆกันบางทีก็เจอคลื่นพายุเจอพายุบางทีก็มันก็มีลงรั่ว นี่แต่ต่างกันหน่อยคือว่าไอเรือเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนะมันอับปางก็มันก็ไม่ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรแต่คนร้อนนี่มันมีความรู้สึกเพราะนั่นใจอย่าพูดในใจคือในเรือก็มีคนด้วยนะในเรือ น, นั้นก็มีคนแล้วพอเรือมันอับปางคนก็กระเสือกกระสนดินน้นรนแต่สุดท้ายก็ต้องจม ลงไปสู่ก้นทะเลไอ้ก่อนที่จะจมนี่มันก็มีความต้องมีความทุกข์มีความเจ็บปวดมีความดิ้นรนกระเสือกกระสนยิ่งบางคนว่ายน้ําไม่เป็นนี่มันก็เรียกว่าทรมานมากไอ้ชีวิตขอเราก็เป็นอย่างงี้แหละนะถ้าสรุปกันอย่างรวดเร็วสั้นๆเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเราแต่ละคนนะกำลังจะถึงจุดที่เรือมันอับปางแค่ไหนเมื่อไหร่อันนี้มันก็ดูเหมือนว่ า, าชีวิตคนเรานะมันดูเหมือนไร้สาระนะ คือไม่ว่าจะดิ้นลนมาเท่าไหร่มันก็จมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอตอนที่จะตอนที่จะจมแบบฟางเนี่ยนะเราพร้อมแค่ไหนคนจำนวนไม่น้อยก็ไม่พร้อมนะก็ทุรนทุรายนะมไม่เคยคาดคิดเลยว่ามันจะจมนะมีความคาดหวังว่ามันจะไปได้เรื่อย ซึ่งเป็นความคาดหวังที่เพ้อฝันมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีเรือลาไหนที่มันจะไปได้เรื่อยๆนะมันต้องหยุดนะแต่ส่วนใหญ่มันความริงมันไม่ได้หยุดหรอกคือมันจมนะแล้วก็เต็มไปได้วยตอนที่ จ, จมมันก็ดิ้นหล่นกระเสือกกระสนนะแต่บางคนที่เขาได้ฝึกเอาไวด้ดีนะก็ ไม่ได้ทุรนทุรายเลยนะก็ยอมรับความจริงได้เพราะรู้ว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะยอมรับสภาพทำใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรไม่เหมือนกับเรือที่มันขนทรัพย์สมบัติเยอะนะมีความหวังนะ ก็จะเอาทรัพย์สมบัติที่ไปทำโน่นทำนี่อยู่ดีๆก็พังจมลงไปดื้อๆนะก็หวงห่วงหาอะไรทรัพย์สมบัตินะก็เรียกว่าทุกกายทุกใจนะี่เราต้องถามตัวเองนะเรามาถึงตรงนี้แล้วต้ถามตัวเองว่าเราเราเตรียมพร้อมแค่ไหนนะวันที่นะเรือจะปางนะช่วยเราจะสิ้นสุด หรือว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมอะไรเลยเอาแต่นอนหลับไหลมื้วคนที่อยู่ในเรือนี่ก็จะนอนหลับไหลไม่ไหนสนใจเลยว่าไม่ได้คิดเลยว่าหรือไม่เฉลิ้วใจเลยว่าไม่ใช่ไม่นานเรืองก็ต้องอับปางหรือไม่ก็สนุกสนานกันกับเสียงเพลงกับดนตรีนะ กับการลเล่นเหมือนเรือไททนิกเรือไททนิกนี่โอ้ยเรือใหญ่ที่คนสร้างนี่ยืนยันไม่มีทางจมเด็ดขาดในตอนที่เรือกำลังจะชนกับภูเขานนําแข็งที่คู่คนก็สนุกสนานกันนะเกลียดกลายหาความสุขเต็ ม, ตมที่ แต่ว่าไม่นานนะก็กลายเป็นศพไปซะแล้ว น, น, นะเพราะว่าเรือมันชนกับน้ําแข็งแล้วก็อับปางล ง, ง, งอย่างรวดเร็วแถนเป็นเวลากลางคืนแล้วก็น้ำยังเป็หนาวเย็นก็อับปา ง, งต่างๆไดกษาดต่างๆกันแต่ว่ามันก็อับปา ง, ง, งอจมในที่สุด พวกเราที่มาบวชนี่ก็ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าอย่างมากก็ได้เรียนได้รู้แล้วก็ได้พิจารณาเสมอว่าที่เราเนี่ยมันต้องมีความตายเป็นที่สุดบดสวดทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้สวดไปเฉยๆนี่ก็รู้นี่มันเตือนเรื่องความตายเสมอแต่ถ้าเกิดว่า เราสวดไปเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คิดนึกอะไรยิ่งสวดไปสวดไปมันก็ยิ่งกลายเป็นของจําเจมันก็ยิ่งทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้ง่ายที่จริงเรือที่เคลื่อนไปเนะกออกลางทะเลนี่บางลาก็มีจุดหมายบางลาไม่มีจุดหมายไปเรื่อยๆจุดหมายนั้น ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงนะแต่ก็มีบางลํานะที่สามารถจะไปถึงเกาะได้ก่อนที่จะอับปางนะมันก็มีไปถึงเกาะถึงใน้เรือปางนะคนที่อยู่ในเรือก็ยังสามารถจะาพายว่ายน้ำนํำว่ายน้ําไปถึงเกาะได้เป็นเกาะที่ทําให้ปลอดภัยองค์กรนี้ก็เปรียบไดกับนิพพานนะนิพพานนะซึ่ง พอเป็นที่ที่จะปลอดภัย้นจากอันตรายทั้งปวงตอนที่พระสรลบุตรนิพานแล้วก็มีแน้องชายนะท่านจุนทักก็มาแจ้งว่าพระสรลบุตรปริณิพานแล้วมาแจ้งแกคณะสงรมการพระสรัลยุรก็เสียใจเพราะว่าสนิทกับ พระสัทธรนระรู้จักกันมาเรียกว่าค่อนชีวิตเลยทีเดียวเกือนบะจะเกือบจะสี่สิปีได้พรจาก็เตือนพระสัทธรให้ระลึกถึงให้พระอานนท์ให้ระลึกถึงนะความไม่เชื่องชีวิต แล้วก็จัดต่อยว่าเนี่ยตจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งนะหมายความว่าให้มีทำนะเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งเกาะนี้คือสารณะนั่นเองนะ เ, นเมื่อมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็จะปลอดภัยก็เหมือนกับว่า ถึงแม้เลยจะอับปางนะก็มันก็อับปางแต่เรือนะแต่ว่าผู้เที่ย่ในเรือนั้นปลอดภัยขึ้นเกาะได้ใ้เรือนั้นอาจจะหมายถึงชีวิตนะหมายถึงโดยเพาะในส่วนกายหรือแม้แต่จิตก็ตามคนส่วนใหญ่นะก็มองไม่เห็นเกาะด้วยซ้ำ ไม่รู้ได้สร้าวมามีเกาะอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมุ่งหมายไปที่เกาะนั้นเลยด้วสซ้าไปเลือเ่อยเปลยนะก็เปลี่ยนเปนคนที่ใช้ชีวิตเลือเ่อยเปลยนะไม่รู้ว่าจุดหมายชีวยคืออะไรไม่รู้ว่อยู่ไปทำไมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีจุดหมายในการอยู่หรือเปล่านะหลายคนก็ไม่มีจุดหมาย หรือว่าเอามีความจุดหมายมามเปแค่ขอให้อยู่ไปให้มีความสุขให้สนุกสนานบางคนก็อยู่แค่ไปอยู่ไปวันวันหนึ่งนะกินกับนอนขับถ่ายไม่รู้อะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็เป็นชะตากรรมของคนจานวนมากนะโดยที่พวกเรานี่ก็ไม่เฉลียวใจนะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายและตายเนี่ยพร้อมที่จะตายไหม นะแต่รับมือความตายอย่างไรยนะุเรอเป็นชีวิที่อยู่ด้วยความประมาทนะก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะความประมาทนี่ก็เป็นความเรียกว่าเป็นความหลงลืมนะลืมว่าสักวันหนึง่งจะต้องตายอยู่แบบคนลืมตายนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ น่าสมเพชนะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากภาสิทิเบรนี่เขาเปรียบนะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากยังไงมันก็ว่าเอาเอาถั่วแม่เล็กๆ เ, เนี่ยโยนใส่คว้างใส่ใส่รูนะซึ่งเป็นรูรูเดียวในกำแพงนะยืนห่างซะด้วยยืนห่างจากกำแพงแล้วเราต้อง เอาถั่วเนี่ยคว้างใส่เข้าไปในรูให้ได้แล้วคง น, นึกอกอลก็มันคงยอะมันยากแค่ไหนนะมีถั่วพันเม็ดก็ไม่รู้ว่าคว้างแล้วนี่จะมีซักเม็ดนี่ยมันเข้าไปในรูห ร, <_ S 1> รือเปล่ามันต้องอาศัยความฟลุกมากๆ <_ S 1> รือบางทีพร เ, <_ S 1> เจ้าก็เปลี่ยนมันก็ว่าตัวเต่าตาบอดนะที่มันร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมา หายใจ น, ะทนะที่ผิวน้ําแล้วที่ผิวน้ํานี่ก็มีมีห่วงเป็นแค่เรื่องแอกนะแอกเป็นแอกไมนะ้เป็นห่วงกลมห่วงกลมกลมโอกาสที่เต่านี่มันจะโผล่ขึ้นมาลงกลางห่วงนะบอดีเนี่ยมันมันยากสักเพียงใดนะมันน้อยมันยากแสนยากเลยนะ ต้องเป็นความบังเอิญอย่างสุดๆเลยนะเพราะว่าทะเลก็กว้างใหญ่มากแล้วจะไปรู้ได้หรอต่อมจะไโผล่ตรงไหนบ้างอาการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากขนาดนั้นถ้าเกิดมาแล้วก็ยังก็ยังปล่อยใช้ชีวิตให้มันก็อยู่ในความหลงความลืมนะลืมโดยซ้ำว่าตัวเองต้องตายนะนี่ถ้าเกว่าเราเลิกถึงความตายนะ มันก็ทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตนะก็พยายามใช้ชีวิตให้ให้มีคุณค่าแล้วก็คุณค่าที่นี่ก็หมายถึงการทำความดีสร้างบุญสร้างบุญสนระวมทั้งการพยายามใช้ประโยชน์ ของชีวิต น, นี้ให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดนะเพียงแค่เราเราไม่ลืมเนี่ยนะเพียงแค่เราไม่เราไม่ลืมตัวไม่ลืมว่าสักวันหนต้องตายนีนะ่มันก็ช่วยทำให้เรามีสติได้เยอะนะมันทำให้หายจากความหลงไปได้ระดับหนึ่ง ถ้าถามว่าเราใช้เวลาที่มีหรือใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยในการที่จะนะทำทำสิ่งที่ดีมีคุณค่ามันก็ทำให้การอยู่ของเรานะมันมีความหมายคนเรานะชีวิตคนเราเนี่ยมัน ในแง่หนึ่งก็เขาเรียกว่าชีวิตคือการต่อสู้นะการต่อสู้ในแง่หนึ่งคือการต่อสู้ระหว่างรู้กับหลงนะมันมันยิ่งกว่ากลางวันกับกลางคืนนะกลางคืนกับกลางวันที่มันสลับกันนะแต่บางช่วงบางวันก็กลางวันยาวกว่ากลางคืนบางบางช่วง กลางคืนก็ยาวกับกลางวันแต่ว่ามันก็ยังสลับกันอย่างมีแบบมีแผนแต่ช่วิตคนเรานี่มันมันยิ่งกว่า น, นั้นให้ความความหลงความลืมมันก็พยายามที่จะมาครอบงามจิตใจเราอยู่ตลอดเวลานะแม้กระทั่งเวลาเมื่อเรารู้ว่าเ อ, อสักวันหน่เราต้องตายนะแต่ใน บ, งบางช่วงนะ มันก็ลืมนะนะความลืมนี่ความหลมก็เข้ามาครอบงำจิตโดยสายความสนุกสนานนะความเพลดเพลินเนี่ยอพอเราเพลดปพลสนุกสนา น, นี่มันก็ลืมไปเลยว่าสวรรค์เราต้องตายหรือพอมีสิ่งอะไรที่ถูกใจนะอยากอยู่กับสิ่งน้านๆหรืออยากอยู่คนน้านๆมีความรักเนะี่ยมันก็ลืมตัวนะลืมแปลว่า สักวันหนึ่งก็ต้องเกิดความพัดพราาสูญเสียเอาคนเรานี่เป็นต้องเตือนสติตัวเตองตดตลอดเวลานะเตือนสติเพื่อไม่ให้เราหลงลืมนะไปกับความสุขความสนุกสนานหรือว่ารวมทั้งอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่เป็นความโกรธความเศร้ามันก็เป็นตัวที่ทำให้เราลืมได้เหมือนกันรือเรียกว่าลืมตัว ชื่อคนเราเนี่ยถ้าจะว่าเป็นแล้วนี่มันนจุดหมายปลายทางคือการทําให้เกิดความรู้ตัวนะจนกมาทั่งชนิดที่เรียกว่าความหลงนี่ไม่สามารถจะมาแย่งชิงครอบงําได้นั่นที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อที่จะสร้างความรู้ตัวให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่รู้ตัวอย่างเดียวนะมันคือการรู้ในความจริงของชีวิต เ, เรียกลมรวมว่ารู้นะ รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยรู้สติคือนะคือไม่ลืมตัวนะไม่ลืมว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายหลมทั้งไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นะเพราะถ้าหลงเข้าไปในอารมณ์มันอะไรมันก็ลืมตัวมันนั้นอารมณ์นั่นจะเป็นความเพลิดเพลินก็ได้นะเพลิดเพลินในความสุขมันก็ลืมตัวนะหรือว่าอารมณ์เศร้าอารมณ์จะเป็นอกุศล ความโกรจความเศร้าเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ลืมตัวเมื่อนั้นความรู้ตัวก็หมดไปในแง่ของชาปุ้นเนี่ยนะเจอมาช่วยคือการทำให้ความรู้เนี่ยมั น, ม, นมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราจนนิทียเรยว่าความหลงเนี่ยไม่สามารถที่จะ เรืองไม่มีช่องว่างให้ความหลงเลยนะการปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อให้ความรู้ตัวเนี่ยมันพัฒนาจนเป็นความความรู้ในรู้แจ้งในสรรพสิ่งนะไม่ใช่รู้เพียงแค่ว่าเราต้องตายนะแต่ก็รู้ไปถึงขั้นว่าสิ่งทั้งหลายปวงนี้มันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะ เพราะว่ามันไม่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันตัวมันเองมันก็ยังเอาไม่รอดเลยนะคือมันต้องแปลเปลี่ยนไปตัวมันเองก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วมันจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรแต่ว่าแม้กระทั่งในเวลาปฏิบัติเนี่ยความความหลงมันก็จะคอยช่วงชิงคอย มาอยายามเล็นงานเราอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้แม้กระทั่ทงพยายามที่จะเห็นแล้วว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำใจ น, นเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินตรงกกมเวลาตามลมหายใจจุดหมายเพื่อให้เกิดความรู้ตัวเพื่อให้ เกิดความรู้ทันในอารมณ์ต่างๆแต่ก็บ่อยครั้งนะกมือไปก็ไม่รู้ตัวนะเดินตรงกลมไปก็ใจก็ลอยไปในความคิดนะมันจะคอยช่วโอกาสอยู่เสมอนะความหลงนี่มันช่วโอกาสในทุกเวลาน่ากระทั่งอุตส่ามาบวชนะเพื่อที่จ ะ, ะให้ เส้นทางเชื่อเป็นส้นทความรูนะ้ความรู้ตัวเป็นความนําไปสู่ความรู้แจ้งในสัจธรรมให้ความหลงก็พยายามฉ่วยโอกาสเข้ามาอยู่เสมอนะเวลาทําวัดสวดมนต์เราก็ทำวัดสวดมนต์เราก็สาธยายทำนะเพื่อชี่จะทาให้ใจเราเนี่ยตื่นนะแต่มันก็ยังความหลวงก็พยายามเข้ามาชวยโอกาสอยู่ เสมอบางทีสวดไปสวดไปใจก็ลอยไอ้ลอยนี่คือหลงแล้วลนะ่ะลอยไปอดีต บ, บ้างนะไปอนาคตบ้างความหลงนี่มันมันชมันเรียกว่าฉลาดมากนะมันไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปมันจะหาช่องนะทุกครั้งเพื่อที่จะเข้ามาครอบงาจิต นั่นการในในถ้าเราไม่ไม่สร้างสตินะไม่ไม่เพิ่มกําลังให้กับสตินะ <c oughs> ก็จะโดนความหลงนะครอบงามจิตใจนะเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้ให้ตื่นกับรำนี่มันยังมีเวลานะคนเราเนี่ยพอสว่างก็ตื่น พอกลางคืนก็หลับไอ้ตอนตื่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นช่วยแห่งความรู้ก็ได้เห็นอะไรได้กว้างไกลไอ้ตอนหลับนี่มันก็เหมือนกับหลงนะในร่างกายนี่มันยังมีมันมีตื่นแล้วก็หลับนะเป็นเวลาแนะม้ว่าบางครั้งนี่มันจะหลับเกือบทั้งวันนะไม่อยากจะตื่น แต่ว่าถ้าหลับนะกลางวันนะมันก็ก็จะตื่นตอนกลางคืนคืนนอนไม่หลับแต่ใจนี่นะมันสามารถที่จะหลับได้หรือหลงได้ตลอดเวลามันไม่มีเวลาลำเวลาว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาตื่นหรือช่วงเวลาที่รู้ตัวในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาหลับหรือหลง งั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจนะไอ้ความหลงก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจเราถึงแม้ว่าดูเหมือนว่ากายมันตื่นทํำนู่นทํานี่นะแต่ว่าใจเนี่ยมันมันหลับมันหลงนะก็เรียกคนที่ไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวว่าเป็นผู้ที่หลับไหลนะหรือว่าเป็นเรียกว่าละเมอนะ แต่เมื่อเราจเจริญสติน ะ, ะนะทาให้เตยียงเราต่อเนื่องเนี่ยนะจึงจะเรียกก็เกิดความตื่นเพราะรู้ตัวนะใหการรู้ตัวที่มันเป็นฐานนะในการที่จะทําให้เรานะมีความรู้หรือขยายความรู้ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องทางโลกนะอันนั้นก็สําคัญอยู่แต่ที่สำคัญคือรู้นะรู้ ทั่วถึงนะในเรื่องของใจเรา้นะการลุ้ยทั่วถึงเรื่องของใจเนี่ยนะกายกับใจหรือทูทั่วถึงในเรื่องของชีวิตนะตรงนี้เนี่ยเราเรียกปัญญานะเช่นได้รู้ว่าเนี่ย ท, ทั้งเรทั้งตัวมันก็มีแค่กายกับใจมีลูกกับนาม ท, ทั้งทั้งตัวหรือว่าทั้งสรรพสิ่งทั้งแหล่งปวงก็มีแค่ห้าทั้งหละยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่มีอะไรที่เกินไปกว่านั้นนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยกับสิ่งที่เป็นสิ่งวัตถุภายนอกที่จริงแล้วนี่ก็เป็นพี่น้องกันก็ว่าได้เพราะว่ามันก็ประกอบด้วยขันห้าเหมือนกัน แต่คนเราเนี่ยด้วยความหลงเนะเราก็คิดว่าเรากับคนอื่นเนี่ยมันคนละอันกันเรากับธรรมชาติหรือสิ่งภายนอกนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันทางที่เบรกนี่เขาอธิบายเขาเปรียบว่าเหมือนกับอากาศในขวดแก้วนะอากาศในขวดแก้วกับอากาศที่อยู่รอบรอ บ, รอบเนี่ยอันเดียวกันทั้งนั้นนะแต่ว่า อากาศที่อยู่ในขวดแก้วนี่มันไม่สามารถจะไปเชื่อมกับขวดได้ให้ไปเชื่อมกับอากาศภายนอกได้เพราะมันมีขวดขวางกั้นเอาไว้าการปฏิบัติทางคือการทําให้เมื่อการทําให้ขวดเนี่ยหรือแก้วนี่มันแตกพอขวดหรือแก้วแตกนี่นอากาศภายนอกมันก็ไปเป็นหนึ่งเดียวอากาศรอบตัวปัญญาที่เกิดขึ้นนะ ที่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่พิจารณานะนะกายและใจเนี่ยมันก็ทำให้เห็นความจริงนะว่าแท้จริงนะเรากับสิ่งภายนอกนี้มันไม่ใช่คนลายนกันเลยนะอันเดียวกันทั้งนั้นธรรมชาติภายในกะับธรรมชาติภายนอกก็อันเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่ได้นะค่อยคว้นะพิจารณาความจริงของ ของกายและใจหรือขันห้าเมื่อเราเข้าใจความจริงของขันท่านี่ยมันก็ไม่คิดจะจะยึดเทียรเกะเกี่ยวในขันห้านี้นะเรียกว่าปล่อยวางสละนะจิตก็เป็นอิสระอันนี้เป็นความรู้นะรู้ด้วยปัญญานะซึ่งจะรู้ ด้วยปัญญานีนะ่มันก็ต้องอาศัยการรู้ด้วยสติคนนะก็คือมีสติที่ช่วยทำให้รู้เท่าทันในความคิดและอารมณ์ต่างๆสติมไม่ใช่เพียงแค่ทำให้รู้เท่าทันนะแต่ว่ามันยังใช้ในการพิจารณานะพิจารณาอารมณ์แล้วก็เรียกว่าขันท่า ได้ด้วยเพราะว่าสติมคือตาในนะสติเป็นตัวรู้นะตัวรู้ที่ทำให้ได้เห็นความจริงนะของขันห่าและที่รู้ความจริงก็เพราะว่าได้เห็นของจริงเห็นของจริงคืออะไรเห็นของจริคือกายกับใจนั่นแหละไม่ได้เห็นนอกตัวนะอะไรที่มันเป็นของนอกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เราจะเห็นกายและใจก็ต้องอาศัยสติ เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอสติมันทําให้เราเห็นอารมณ์นั้นไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นมันไม่ใช่แค่เห็นว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแต่มันเห็นต่อไปว่าโอ้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมก็หายไปตั้งอยู่แล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่เทียงแท้นิรันต์มันก็ดับไป สติทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่อารมณ์นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งไปเท่านั้นแต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเจริญสติปัฏฐานดูนะดูกายดูใจก็จะเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้อารมณ์เกิดขึ้นนะและถ้าเห็นนั้นดับปัจจัยนั้นดับอารมณ์นั้นก็ดับตามไปด้วยนะอันนี้แหละที่ทำให้ได้เห็นนะ ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเอาลมเหล่านี้มันไม่ได้มีตัวตนของมันเองมันขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยนสะติมันทำให้เห็นความจริงลึกขึ้นไปเรื่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะเราอาศัยการที่เฝ้าดูเนะฝ้าดูความจริงเฝ้าดูความจริงที่เกิดขึ้นเราก็เห็นต่อไปว่ามันอะไรทาให้มันเกิด อะไรทำให้มันดับและสติก็ทำให้รู้ต่อไปว่าถ้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกจะทำอย่างไรนะันนี้เราเป็นงานของสติทั้งนั้นแหละซึ่งก็ผู้หลวงคือว่ามันทำให้รู้นะรู้ความจริงรู้ธรรมชาติของสภาวะธรรมต่างๆนะที่เรียกที่เรียกว่าขันธ์หานะว่ามันมีธรรมชาติมีลักษณะอย่างไร ลักษณะที่มันไม่เที่ยงลักษณะที่มันทั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ลักษณะที่มันไม่มีตัวไม่มี ต, มม ต, ต น, น, นนี่ก็เรียกว่าไตรักหรือว่าหรือลักษณะสามประการในการนี้ชนิดก็เรียกว่ารู้อีกชนิดหนึ่งนะรู้คือรู้ที่เป็นปัญญาใหเวลาพูดถึงคําว่ารู้รู้หรือว่าเห็นเห็นเนี่ยมันก็มีเห็นสองระดับเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยสติมันก็ไม่เข้าไปเป็นเห็นด้วยปัญญามันก็ทำให้เห็นไตรลักษณ์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอมเลยนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานเป็นธรรมหมดจดอันนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาใน มันก็เข้าใจในเรื่องไตลักดนะูเห็นแจมแจ้งในไตลักให้การรู้อย่างนี้มันก็ต้องอาศัยนะสติคือการเห็นก็นต้องฝึกให้เห็นด้วยสติอยู่บ่อยๆด้วยสติบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลาเราเดินดองกลมสร้างจังหวะตามลมหายใจแต่เวลามันเกิดผัดสสะขึ้นมา ภาษานี่มันเกิดขึ้นตอลอดเวลาแล้วมันจะเกิดขึ้นมากนะเวลาที่เราออกจากทางจงกลมออกจากลูกจากการสร้างจังหวะออกไปเจอผู้คนออกไปเจองานการต่างๆนะมันก็จะมีภาษาเข้ามาตรงนี้นะสำหรับคนหลายคนเนี่ยมันคือมันคือที่หาังความทุกข์ออกไปเจอคนแล้วโอ๊ยวุ่นวาย หมหงุดหงิดฟุงซ่านไม่อยากเจอใครแต่จริงมันคือโอกาสในการที่จะฝึกสติให้เชี่ยวชาญชำนาญเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตากทบลูหูได้เห็นเสียงแล้วมันปรุงเป็นอารมณ์เนี่ยเห็นการปรุงเห็นอารมณ์ไหมที่มันเกิดขึ้นเห็นความหงุดหงิดความโกรธที่มันเกิดขึ้นไหมเห็นความดีใจที่มันเกิดขึ้นไหมและถ้าดูต่อบแปลก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิด มันรู้แล้วแต่มีเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเท่านั้นทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองและไม่ใช่ว่ามีภัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเมื่อเกิดภัสสะแล้วอารมณ์จะเกิดขึ้นทันทีไม่ใช่ก่อนที่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอเกิดภัสสะปุ๊บตาก็ทับรูปปุ๊บนี่มันมันมันโกรธเลยไม่ใช่ มันมีการปรุงแต่งขึ้นมาก่อนอะไรปรุงแต่งก็คือจิตนั่นแหละปรุงแต่งปรุงแต่งดวยอำนาจของตัณหาของอวิชชาหรือการตีค่าเวลาเดินจงกลมเนี่ยเคยถามในะเวลาเดินจงกลมอย่างที่ที่ขุดสิบเอ็ดราเคยบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาเวลาเห็นดวงมะก่นี่ก็ก็ปัด ก็ถ า, ามว่าก่อนปัดเนี่ยทำไมถึงปัดก็บอกว่าไม่ชอบนะไม่ชอบเกลียดนะแต่ว่าเกลียดเนี่ยมันไม่ทําให้ปัดได้ทันทีนะเมื่อเกลียดแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อเนี่ยทําให้ถึงทําให้เกิดการปัดขึ้นมาหรือการอ่าการตก มันมีความอยากก่อนมันมีความอยากจะตกอยากจะกาจัดยุงนั่งออกไปและถามต่อไปว่าก่อนที่มันจะเกิดความเกลียดความไม่ชอบนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีเวทนามันมีความปวดแต่ความปวดเนี่ยมันไม่นำไปสู่การตบได้มันต้องมีความไม่ชอบก่อนไม่ชอบ เกิดโทสะแล้วเกิดความอยากตามมาไอ้ว่าไ ม, ไม่ชอบแล้วความอยากนีก่คือการปรุงแต่งของจิตไม่ชอบพอเกิดผัสสะแล้วเกิดเจ็บขึ้นมาแล้วมันมันตบทันทีไม่ใช่หรือไม่ใช่พอเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดรู้สึกขัญแล้วมันปัดยุงทันทีไม่ใช่มันมีกระบวนการเกิดขึ้นก่อนนั่นนะั้นคือไม่ชอบเกิดโทสะแล้วเกิดความยาวอยากที่จะ นีมันออกไปไกลหรือนีออกจากสภาวะเช่นนั้นตรงนี้แหละนะที่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่เห็นนะว่ามันมีมันมีปัจจัยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะลงมือกระทา ม, นะมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นก่อนที่ความทุกขนะ์จะตามม า, างั้นถ้าเรามีสติเห็นเนี่ยนะมันก็จะ ถ้าเราใช้สติดูมันก็จะเห็นมันก็จะรู้นะและรู้ก็จะพบว่าโอ้ทุกข์นี่มันเกิดจากใจมีภาษะแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเกิดไม่มีการปรุงแต่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรานะจำเปน็นจะมีต้องเห็นนะมันถึงจะจะรู้ว่าทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจแล้วก็เห็นความสร้างควาการที่จะ ระ ง, งับการปรุงแต่งแล้วอะไรที่จะระ ง, งับการปรุงแต่งได้ก็คือการมีสติรู้ทันนั่นเองพราะถ้าไม่ไม่รู้ทันหรือไม่รู้ตัวมันก็ปรุงปรุงเรื่องนั่งความหลงพราะรู้กับหลงนี่มันแย่งชิงกันเมื่อใดที่ไม่รู้หลงก็มาเมื่อใดที่รู้หลงก็หายไปแล้วเมื่อใดเมื่อไม่สติรู้ก็หลงก็คือปรุงตัวกูขึ้นมามีความไม่พอใจมีความ อยากทำอยากครอบครองอยากผักใสหลงทั้งนั้นหลงทั้งนั้นก็นำไปสู่ความทุกข์หลงนำไปสู่ทุกข์รู้เนี่ยถึงจะไม่ทุกข์แล้วต้องทำให้รู้เนี่ยรู้รู้รู้รู้ทุกขณะอย่างต่อนเนื่องจงกนกระทั่งมันเกิดปัญญาขึ้นม า, าการปฏิบัติทั้งหมดหรือการดำเนินชีวิตงเราทั้งหมดคือการที่ทาให้รู้เนี่ยมันเอาชนะหลงได้แล้วก็ เราเราก็รวมแล้วก็ที่ยังเอาชนะหลงไว้แต่ก็รู้ทันที่จะไม่ให้ความหลงนี้เข้ามาช่วงชิงครอบงำช่วงโอกาสในจิตใจของเรานั่นก็ต้องสร้างอย่าสร้างปัจจัยสร้างการปฏิบัติเนะี่ยเพื่อทําให้เรารู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เปิดช่องให้หลงนี้เข้ามาเล่นงานที่จริงไม่ต้องทํำลายความหลงนะเพียแค่รูเ้เฉยๆเนี่ยความหลงก็หายไปเองเมื่อความมืดเนี่ยเราไม่ต้องไปทํำลายความมืดเพียงแต่เราจุดไฟจุดเทียน เกิดไฟเนี่ยความมืดก็หายไปเองเราไม่ต้องไปทะเลาะความหลงเพียงแค่ทำรู้ให้เกิดขึ้นเท่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นหลงตัวลืมตนหรือว่าหลงด้วยอวิชชาเนี่ยก็ต้องอาศัยรู้นั้นแหละชาี้ภูเกนตทานี้